พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2554มีชื่อเรื่องว่าโอวาทธรรมวันมหามงคลวันนี้รู้สึกว่าธรรมชาติ ให้พวกเราเตรียมพร้อมเพราะว่าต่อไปถ้ามีอย่างนี้เกิดขึ้นพวกเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรธรรมชาติเขามาเตือนเตือนแตงก็เตือนไม่มากนะก็ยังเว้นช่องให้อยู่ช่วงพระบินทบาทก็รู้สึกว่าฝนก็หยุดตกทําให้ไม่ชุกโลกเท่าไหร่พี่น้องประชาชนจักรายาญาติโยมก็ใส่บาตรกับฝนไม่ตก ลินไปปลอยเหมือนปลดปลอยน้ำมนลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่ามีอย่างนี้พวกเราจะเตรียมยังไงผู้ที่ดูแลคงจะมีตงมีเต้นเตรียมเตรียมการเอาไว้วันนี้เป็นการเตือนเตือนพวกเราแต่ถึงยังไงก่อนนานๆจะมีฝนตกอย่างนี้แต่โดยมากก็ตก ถ้าไม่ใช่เดือนสิงหากันยาจริงๆก็ไม่ค่อยมีฝนตกตอนเชา้ามีแต่ตกธรรมดาธรรมดาอยู่ที่นี่ก็บางปีบินทบาน ท, ที่ฝนตกหนักๆขณะบินทบาทนนะปีหนึ่งก็ไม่กี่เที่ยวนะสองสามครั้งเวลาบินทบาน แต่นอกนั้นก็ตกเวลาอื่นพระในวัดนาคำน้อยขณะนี้พระทั้งหมด34รูปสีมาเนนมีหนึ่งรที่พระอยู่ในวัดของพวกวัดป่านาคำน้อยกระโดยมากก็ประมาณ20กว่าองค์พระนาแล้งก็ไม่เคยขาดพระ2 4 2สองค์ พอตกหน้าฝนก็น30มสิบสี่สบหรือมากกว่40่บ40กว่า อ, องค์พระหน้าฝนมากที่สุดประมาณ4ี่สิบหสี่หกสี่ดพระที่เคยจำพรรษาต่นออกพรรษาแล้วก็ผู้ที่เขามาบวชเป็นราชการพระนวักกะก็เด้ลาสิิขาไปก็มายืนอยู่ตรงที่ยี่สิบห้าถึงสสิบในช่วงนี้ลหละ ก็ไม่เคยขาดพราพระวัดของเรามันเนื้อที่กว้างถ้าพระน้อยส4 5สหองค์เนี่ยกการดูแลก็รู้สึกว่าจะหนักพอสมควรแต่ถ้าหากว่า10ถ้าได้15องค์ขึ้นไปถ้าพระ15องค์ขึ้นไปจะรักษาวัดได้ปัดกวาดทำความสะอาดได้คล่องถ้าเกินกว่านั้นก็ดีก็เบา แต่ทางว่าต่ำกว่านั้นลงมานี่รู้สึกจะหนักไปสักหน่อยเหมือนกันเพราะที่วัดของเราตั้งพันกว่าไร่พันสาอไร่แต่ตามที่เขียนไว้แต่พอเพิ่มเขาอีกส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนเขายกป่าช้าให้ก็เลยล้อมไปทางป่าช้าเขาด้วยก็รวมแล้วประมาณสัก1350กว่าไร่ที่วัด ภาคนาคำน้อยอันนี้ก็พระสงฆ์ก็ต่างองค์ต่างอยู่อยู่ในความสงบกุติห่างห่างกันห่างไกลกันเพราะสํานักของเราเน้นไปในทางภาคปฏิบัติเน้นไปทางจิตตภาวนาเป็นส่วนมากเป็นจุดจุดหวัวใจแหละคือจุดคือ เ, เน้นเรื่องภาวนาแต่เรื่องการศึกษานั้นเราก็มี ห้องสมุดให้ค้นคว้าศึกษาได้ด้วยตนเองแล้วก็การฟังธรรมเทศนาเราก็มีสถานในวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอยู่ในวัดของเรา 107.25 เมามเกอยู่ในวัดของเราจะเปิดฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาหรือธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาตอนกลางวันเราก็เปิดฟัง ร, รือศึกษาได้ แต่ถาว่าเรามีความข้องใจจะศึกษาในแนวทางแนวทางครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ไปนค้นประวัติของท่านอยู่ที่ห้องสมุดของเรามีครบทุกองค์ที่เป็นพระเถระมหาเถระที่เป็นสิทธิานุศิทธ์สายหลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นในวัดของเราทางว่าผู้ที่เน้นหนักหรือว่าอยากจะค้นคว้าศึกษาในภาคปฏิบัติจิตภาวนา พวกเรามีมีพร้อมแต่ถ้ า, าผู้ใดอยากจะเรียนเพื่อต้องการยศถาบรรดาศักดิ์นักธรรมตรีโทเอกมหาป ร, ริญนก็ส่งออกไปเรียนข้างนอกไปศึกษาข้างนอกในเมื่อเรียนพอแล้วหรือว่าพอสมควรแล้วจะออกมาปฏิบัติก็มาปฏิบัติที่วัดของเราได้คือโดยโดยมากหลวงตามหาบัวปฏิปทาของท่าน หรือหลวงปู่ล่าถ้าว่าผู้ที่จะเรียนหนังสือก็ต้องออกไปข้างนอกถ้าผู้ปฏิบัติก็ต้องอยู่ข้างในอยู่กับได้แต่ผู้อยากจะเรียนนักธรรมตรีโทเอกมหาป ร, ริญท่านก็ส่งไปหรือไปศึกษาตามสำนักต่างๆที่มีการเรียนการศึกษาท่านบอกว่าถ้ามาปฏิบัติมาจิตมานั่งภาวนา แล้วคนหนึ่งมาท่องหนังสือหรือมาพูดเรื่องการเรียนหนังสือมันก็เป็นการกวนกันเป็นการลบกวนกันถ้าหากว่าพูดที่ตั้งใจภาวนาไปพูดให้ผู้เรียนหนังสือมันก็ทำให้ไม่สัปปายะปุคระไม่สัปปายะเพราะนั้นท่านให้แยกกันเลยถ้าว่าใครอยากจะเรียนหนังสือก็ไปเรียนถ้าผู้ใดต้องการปฏิบัติเก่ามาปฏิบัติ ข้อสำคัญให้จริงให้จังถ้าไปเรียนหนังสือก็ให้จริงจังในการเรียนผู้มาปฏิบัติก็ตั้งจริงตั้งใจจริงในการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นอาตมาภาพเองหลวงพ่อเนี่ยบวชก็อยู่กับหลวงปู่ล่าแต่ตามไม่จริงในใจก็อยากจะเรียนหนังสือเหมือนกันเพราะเห็นว่าพี่พน้องๆองจากมุกดาหารเดินทางมาเรียนหนังสือที่วัดโพธิสมพร ในมหาปรเรียนก็มีนักธรรมตรีโทเอกก็หลายคนที่เป็นญาติแต่ก็อยากจะมาเรียนหนังสือแต่หลวงปู่ล่าท่านบอกเอยไม่ได้เ น, น้นถ้าไปเรียนแล้วเห็นแม่มันใจมันแตกนะมันไม่กลับมา ค, คืนมาที่เก่าเพผลเอาเถอะไม่ต้องเรียนนะนะเอาพระไตรปิฎกมาให้ศึกษาเพราะฉะนั้นอนตาตม า, าพาไปเองหลวงพ่อเองก็เลยได้ศึกษาในพระไตรปิฎก ค้นคว้าศึกษาในพระไตรปิฎกตามที่ถ้าข้องใจตรงไหนข้ออัดธรรมตรงไหนหลวงปู่ท่านก็แนะนำท่านก็สอนท่านก็บอกคํานี้ศัพท์นี้มีความแปลและมีความหมายอย่างไรอย่างนี้ก็ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกกับอยู่ที่วัดหลวงปู่ล่าเพราะนะั้นหนังสือพระไตรปิฎกเกือบทุกเกลคลมจะว่าได้ศึกษาแต่ศึกษาในพระอภิธรรมหนังสือพระอภิธรรม อันนั้นศึกษาไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะครูบายจานท่านก็บอกว่าอภิธรรมเนี่ยมันเป็นกระแสของจิตใจใครเขา้าอภิธรรมในพระไตรปิฎกมันมีอยู่สามกุศลธรรมมาอากุศลธรรมม า, อ, า, า, รรมมาอัพยากตาธรรมมาอันนี้เราหัวใจอภิอิธรรมกุศลธรร ม, มาจิตที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศล อัพยากรตาธรรมมาจิตที่เป็นกลางๆงไม่ทำบาปไม่ทำบุญจิตที่เป็นกลางๆมันน้อยในจิตที่ไหลไปในทางบาปมากกว่าจิตที่ไปทางบุญก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จิตที่เป็นกลางกลามีน้อยกว่าอะไรกุชลาธรรมมาจิตที่เป็นบุญกุศลอักุชลาธรรมมาจิตที่เป็นบาปอักุศลอัพยากรตาธรรมมาจิตที่เป็น เป็นเป็นกลางกลางทีนี้ท่านก็นอธิบายเลยจิตเป็นยังไงจิตเป็นกุศลจิตอย่างไหนเป็นเป็ดอ่ะกุศลจิตทางไหนเป็นจิตที่เป็นกลางท่านก็บอกออกไปเลยเป็นหกสิบหกสิบกว่าดวงทท่านก็ไล่เลียงไปเรื่อยคณะจิตนั่นคิดอย่างนี้คณะจิตนี้คิดอย่างนี้เป็นกุศลท่านก็ไล่ไปในในอภิธรรมเพราะฉนั้นในพระอภิธรรมเนี่ยอัตมาภาพไม่ไม่ได้ศึกษามาก เพียงต่รู้แนวทางตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวจากนั้นท่านให้ดูใจของตัวเองเป็นหลักทุกเสียงทุกอย่างออกมาจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นให้ศึกษาเรื่องของใจวิถีทางเดินของใจใจของเรามันคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าว่าเรียนเรียนเรื่องของใจจบแล้วนั่นหละ แปลว่าเป็นถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นอัเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจบแล้วแต่ถ้าว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยั ง, ย, งยังชําระกิเลสภายในใจยังไม่ได้ถึงจะเรียนขนาดไหนจบพระไตรปิฎกก็ยังเป็นพระอัเสกเป็นผู้เสขะพระเสขะยังต้องศึกษายังต้องศึกษาอยู่ไม่มียังไม่จบ แต่ถ้าว่าผู้ใดเขาตามชำระใจออกจากกิกเลสราคะโทสะโมหะเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นแหละเป็นพระอเสกขาผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจบบริบูรณ์นี่หลักของพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้เรียนไปทางอื่นพันเรียนที่ใจความนึกคิดของใจความปรุงแต่งของใจกิเลสออกมาจากใจโลภออกมาจากใจโกรธออกมาจากใจ หลงออกมาจากใจราคะโทสะโมหะออกมาจากใจท่านให้ดูใจดูต้นต่อของเรื่องราวต่างๆถ้าว่าเราดูใจชำระใจแล้วใจบริสุทธิ์แล้วท่านว่าเป็นพระอเสขะจบผู้ไม่ต้องศึกษาอันนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องของใจเพราะนั้นการที่จะเน้นหนัก เรื่องของใจนั้นจะทำอย่างไรจึงจะจับใจได้กระท่านก็อนบอกว่าสมาธิสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นกุญแจดอกแรกก็คือสติสัมปชัญญะอย่างพูดเมื่อคืนอย่างลวงตาท่านว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทขาขวาพุทธขาซ้ายโทเวลาปัดกวาดเหวี่ยงขวาพุทธเหวี่ยงซ้ายโทมีสติสัมปชัญญะในทุกรียบท ยืนเดินนั่งเว้นเสียตลับมีสติสัมปชัญญะอันนี้แหละคือกุญแจดอกสำคัญที่จะไปสู่มรรคสู่ผลตามแนวแถวพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านป ร, ประพฤตปฏิบัติสติสัมปชัญญะเมื่อจะมีสติแล้วใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรสติมันจับได้ทั้งหมดมันทันทั้งหมดมันนึกคิดทางดีทางชั่วก็เห็นได้ รู้ได้เห็นได้จากนั้นท่านก็เอาสติจับแลจิตเป็นสมาธิเมื่อจินเป็นสมาธิดีแล้วก็ดูพิจารณาทางด้านปัญญาหาเหตุผลทำไมคนเราจึงมีกิเลสโทสะทำไมจึงกโกรธทำไมราคะทำไมทำไมลุ่มหลงหลงเรื่องอะไรท่านก็ค้นคว้าหลง คนเราในหลงร่างกายของตนเองเป็นอันดับแรกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะจงจะต้องอยู่ชั่วฟ้ายาวนานแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะร่างกายไม่อยู่ไม่นานนะ 91, 70, 80, 90้0ส0บ0อ็ปดก้ีเขาทุกพลภาพแล้วร่างกายสังขารไม่ใช่เรานะอีกสักวันเนี่ยจะต้องทิ้งนี่แหละอันนี้ท่านให้ดูร่างกายพอดูร่างกายก็ดูใจอย่างที่อาตมาภาพได้พูดเมื่อคือน ดูกายดูใจดูใจดูกายผลในสุดก็ใจรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวตักเตือนพวกเราท่านทั้งลายแต่ถึงยังไงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ครูบาอาจารย์ตัดบอกเอาไว้ว่า พวกเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะกระทำสิ่งนั้นพวกเราได้รับการศึกษามาดีแล้วอันไหนควรไม่ควรอย่างไรให้ปฏิบัติตามนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นครวาตญาติโยม ท่านก็นเน้นเรื่องศีลห้าทว่าเป็นพระสงฆ์ท่านก็นเน้นเรื่องศีลสองิบเจ็ดแล้วก็เรื่องจิตตภาวนาฝ่ายพระสงฆ์ที่ท่านจะเน้นมากเพราะว่ามีหน้าที่อยู่ข้างในมีหน้าที่อันเดียวอย่าไปคุกครีด้วยหมู่คณะจนเกินไปให้อยู่ในแบบไม่อยู่ในมุมสงบอยู่ในเงียบสงบอันนี้ก็คือที่ท่านสอนแต่สําหรับฆรวาวาสญาติโยมผู้ยัง ดงดำรงชีพอยู่ก็พยายามทำให้เต็มที่อุตสานะสัมปทานถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรคะสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาเมื่อเราได้หน้าที่ตําแหน่งมาแล้วเราควรรักษาหน้าที่ตําแหน่งของเราเอาไว้กัลายาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนที่ไม่ดี สัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงเขาอย่าไปคดไปโกงเขามาเลี้ยงชีวิตเรานี่แหละหลักของพุทธศาสนาที่ท่านได้สอนพวกเราท่านทั้งหลายนะขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าท่านเดินตามแนวแถวของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะต่อเ น, นี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร เ, ออเห็นพี่น้องประชาชนมาร่วมทาบุญวันนี้ทุนกระหมอ่อมได้มาปร ะ, ประทับภักแครมที่วัดป่านาคำน้อยของพวกเราตอนเช้าเนี่ยก็ได้ทรงบาตรนะขณะนี้ออท่านก็ได้มาร่ว ม, มอยู่บนศาลากับพวกเรานะเออพวกเรานี่ว่าเป็นผู้มีบุญเนอพี่น้องประชาชนลูกหลานเนอะได้เห็น เจ้าฟ้าเจ้าเพนดิงท่านเสด็จมาเยี่ยมพวกเราถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นสิริเป็นมงคลท่านจะไปที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปหมดนั่นแนหะขอให้พวกเราพี่น้องทั้งหลายมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันนะนะรักกันเอาไว้คนในชาติรักกันเอาไวนนากก้นวนะพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมวงศานวงศ์ มีแต่เจตนาดีต่อประเทศชาติต่อพี่น้องลูกหลานทุกคู่ทุกคนมีแต่ความหวังดีโครงการพระราชดำริเท่าไรพวกเราคิดดูสิล้วนแล้วจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทางนั้น